สองสมติงสะวิเรจนะกถาว่าด้วยพระผู้มีพระภาคเสวยพระโอสฐถ่ายสามสิบครั้งเรื่องสงฆ์พระกายพระผู้มีพระภาค336สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมีพระวรากายหมักหมมด้วยสิ่งอันเป็นโทษ พระองค์ได้ตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่าอานนท์ตถาคตมีกายหมักหมมด้วยสิ่งอันเป็นโทษตถาคตประสงค์จะฉันยาถ่ายลำดับนั้นท่านพระอานนท์ได้เข้าไปหาชีวกโกมารพัทถึงที่พักครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับชีวกโกมารพัทดังนี้ว่าท่านชีวก พระตถาคตมีพระวรกายหมักหมมด้วยสิ่งอันเป็นโทษพระตถาคตประสงค์จะฉันพระโอสถ่ายชีวโกโมารพัฒกล่าวว่าท่านพระอานนท์ผู้เจริญถ้าอย่างนั้นท่านโปรดทมพระวรกายของพระผู้มีพระภาคให้ชุ่มชื้นสักสองสามวันครั้นท่านพระอานนท์ ทำพระบรากายของพระผู้มีพระภาคให้ชุ่มชื้นสองถึงสามวันแล้วจึงเข้าไปหาชีวโกโกมารพัทถึงที่พักครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับชีวโกโกมารพัทดังนี้ว่าท่านชีวกพระบรากายของพระผู้มีพระภาคชุ่มชื้นดีเวลานี้ท่านจงรู้เวลาที่ควรเรื่อง หมอชีวกทูลถวายพระโอสฐถ่ายสามสิบครั้งครั้งนั้นชีวกโกมารพัตได้มีความคิดดังนี้ว่าการที่เราจะทูลถวายพระโอสฐถ่ายชนิดหยาบแก่พระผู้มีพระภาคนั้นไม่สมควรเลยอยากระนั้นเลยเราพึงอบก้านอุบลสามก้านด้วยยาต่างๆ แล้วน้อมเข้าไปถวายพระตถาคตแล้วได้อบก้านอุบลสามก้านด้วยยาต่างๆแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้น้อมถวายก้านอุบลก้านหนึ่งแด่พระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงสูตร ด, ดมก้านอุบลก้านที่หนึ่งนี้ วิธีนี้จะทำให้พระผู้มีพระภาคทรงถ่ายถึงส0บครั้งแล้วได้ทูลถวายก้านอุบลก้านที่สองแด่พระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคจงทรงสูดดมก้านอุบลก้านที่สองนี้วิธีนี้จะทำให้พระผู้มีพระภาคทรงถ่ายถึงส0บครั้ง แล้วได้ถวายก้านอุบลก้านที่สามแด่พระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคจงทรงสูตรดมก้านอุบลก้านที่สามนี้วิธีนี้จะทำให้พระผู้มีพระภาคทรงถ่ายถึงสิบครั้งครั้นชีวกโกมารพัททูลถวายพระโอสฐถ่ายแด่พระผู้มีพระภาค เพื่อให้ถ่ายครบสาสครั้งแล้วได้ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณกลับไปเมื่อชีโวโกมารพัฒออกไปนอกซุ้มประตูได้เกิดความคิดดังนี้ว่าเราทูลถวายพระโอสถถ่ายแด่พระผู้มีพระภาคเพื่อให้ถ่ายครบสาสบครั้งพระตถาคตมีพระบรกายหมักหมมด้วยสิ่งอันเป็นโทษ จะไม่ทําพระผู้มีพระภาคให้ถ่ายครบ30ครั้งแต่ทําพระผู้มีพระภาคให้ถ่ายเพียง29ครั้งอีกประการหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงถ่ายแล้วจะทรงสนานแล้วจึงจะถ่ายอีกครั้งหนึ่งเมื่อเป็นดังนั้นพระผู้มีพระภาคจะทรงถ่ายครบ30ครั้งพอดีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาค ทรงทราบความคิดของชีวโกมารพัทด้วยพระไทยจึงรับสั่งกับท่านพระอา น, นุ์ว่าอา น, นุ์เวลานี้ชีวโกมารพัทออกไปนอกสมประตูได้มีความคิดดังนี้ว่าเราทูลถวายพระโอสฐถ่ายแด่พระผู้มีพระภาคเพื่อให้ถ่ายครบส0สครั้งพระตถาคต มีพระบรากายหมักหมมด้วยสิ่งอันเป็นโทษจะไม่ทำพระผู้มีพระภาคให้ถ่ายครบสามสิบครั้งแต่จะทำพระผู้มีพระภาคให้ถ่ายเพียงยี่สิบก้าครั้งอีกประการหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงถ่ายแล้วจะทรงสงสนานจะทำพระผู้มีพระภาคซึ่งทรงสงสนานแล้วให้ถ่ายอีกหนึ่งครั้ง เมื่อเป็นดังนั้นพระผู้มีพระภาคจะทรงถ่ายครบส0สบครั้งพอดีอานนนถ้าอย่างนั้นเธอจงเตรียมน้ำร้อนไว้ท่านพระอานนนกราบทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วจัดเตรียมน้ำร้อนไว้ถวายต่อมาชีวกโกมารพัฒเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ได้ถวายอภิวาสแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลว่าพระผู้มีพระภาคทรงถ่ายแล้วหรือพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคกราดตอบว่าชีวกเราถ่ายแล้วชีวกโกมารพัฒกราบทูลว่าเมื่อข้าพระองค์ออกไปนอกสมประตูคิดว่าเราทูลถวายพระโอสฐถ่าย แต่พระผู้มีพระภาคเพื่อให้ถ่ายครบสาครั้งพระตถาคตมีพระวรกายหมักหมมด้วยสิ่งอันเป็นโทษจะทําพระผู้มีพระภาคให้ไม่ถ่ายครบสาสครั้งแต่จะทําพระผู้มีพระภาคให้ถ่ายเพียง29ครั้งพระผู้มีพระภาคทรงถ่ายแล้วจะทรงสงสนารจักทาพระผู้มีพระภาคซึ่งทรงสงสนารแล้ว ให้ถ่ายอีกครั้งหนึ่งเมื่อเป็นดังนี้พระผู้มีพระภาคจะทรงถ่ายครบ30สครั้งพอดีพระผู้มีพระภาคโปรดทรงสงสารเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระสุคตโปรดสงสารเถิดลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสงน้ําอุ่นวิธีนี้ทําพระผู้มีพระภาคซึ่งทรงสงสารแล้วให้ถ่ายอีกครั้งหนึ่ง จึงครบ30สามสิบครั้งพอดีครั้งนั้นชีวกโกมารพัฒ์กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคไม่ควรเสวยพระกรยาหารที่ปรุงด้วยน้ำต้มผักต่างๆจนกว่าพระบรกายจะเป็นปกติ